พระธรรมเทศนาแผ่นที่96าลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่19สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าการบินทบาทการฉันที่บ้านตาดวันนี้เป็นวันศุกร์ ที่สิสิงหาคมพุทธศักราช2 5 5พพระในวัดของเราจำพรรษา46รูปแต่มาจากพระนว ก, กะมาจากทางกรุงเทพจากวัดบวรสงขึ้นมาวดชั่วคราวอีกหนึ่งองค์หนึ่งรูปรวมแล้วเป็น47นะ่สพระลงมาฉันลงมาฉัน36มบดฉัน11 วันนี้บรรยาการงดฉันของพระในวัดของเราเป็นปกติถาวัายใครอยากจะทำความภาคความเพียรจะอดอาหารผ่อนอาหารตามอัธยาศัยอันนี้คือเป็นแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาพานำเนินที่หลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบัานตาดพระอยู่ด้วยกันฉันไม่พร้อมกันบางทีก็อดห ล, หลายวันก็มี บางทีก็อดหลายองค์มีออกพระเอาปิณฑบาดน้อยพระก น, น้อยอยู่แล้ยี่สิบพระองค์นี่คือปฏิบัาขององค์หลวงตาฝนตกอย่างวันนี้แแต่หลวงตานี่ไปอยู่ที่นั่นท่านไม่ฉันก็มีเหมือนกันนะคือท่านโรคของท่านกําเริบบางทีถ้าว่ามันแน่นหน้าอก เดินหน้าอกท่านไม่ฉันงดฉันไม่เอาปินทบาทไม่ชันเลยแต่เราก็เป็นห่วงท่านแท้ๆ เ, เราก็เตรียมอาหารขึ้นไปไปกราบอาราธนาท่านขอโอกาสพระแม่กุูจาร์ฉันอาหารกระผมได้เตรียมมานี่แล้วอย่ามายุ่งไป <laughs> อันนี้คือหน้าที่ของเรา จะต้องจัดอาหารขึ้นไปเป็นหน้าที่ของเราแต่ท่านจะปฏิเสธได้ท่านจะไม่ฉันนั่นเป็นหน้าที่ของท่านนะแต่เราก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องนําขึ้นไปถวายท่านแต่ท่านปฏิเสธอย่างแข็งขันปฏิเสธอย่างแข็งขันน่นเราก็หัวหดเหมือนกันะไม่ออกไม่รู้จะออกมาไม้ไหนใช่ไหมละ่ะเราก็หยุดอันนี้เราก็เคยทํานล้มตาท่านไม่สบายบางทีม ท่านเหนื่อยเหมือนกับหน้ามืดลักษณะอย่างนั้นหละบางทีท่านก็ไม่ชันไปอยู่ที่นั่นก็หลายครั้งเหมือนกันนะแต่ฝนตกอย่างนี้เนี่ยท่านก็ อ, อกบินธท่าบาทไม่เคยขาดห <c oughs> ลงตาไม่เคยขาดบินธท่าบาทฝนตกแดดออกอย่างไรก็บินธท่าบาทถ้ฝนตกอย่างนี้ท่านก็ของผ้าผ้าจีวร ผืนนั้นอ่ะืนที่ท่านใช้นะเป็นสิปีเลยนะหลวงพ่ออยู่ที่นั่นกัผู้ที่ตัดถวายท่านก็คือท่านอ า, อาจารย์ประยนูนแต่ต่อมาท่านก็ลาสิขาเมื่ออายุ20่กว่าพรรษาทังหวดสุขภาพไม่เนี่ยนั้นก็เลยนะพอลาสิขาไปแล้วแต่สมัยอยู่กับท่านเนี่ยนะท่านอาจารย์ประยนูนโอ้ฉเฉลียวฉลาดทิศ ท, ทนนีะ จีวรถวายอง์หลวงตาเป็นผ้าหนานานะเวลาฝนตกทีนี่ท่านจะใช้อีกพื้นหนึ่งเลยพื้นนั้นแปลว่าใช้เวลาฝนตกท่านจะใช้ผื้นนั้นเป็นผ้าจีวรผ้าผ้าฝ้ายนี่แหละแต่เป็นผ้ามิฉลินแต่เป็นผ้ามิฉลินแบบหนาท่านคลองเวลาฝนตกต้องจัดพืนนั้นถวายเพราะหลวงพ่อเป็นผู้เอาบาตร เป็นผู้จัดบาทและจัดผ้าถวายท่านเป็นเปลี่ยนกันเป็นเป็นชุ่งช่วบางทีหลวงพ่อก็ขึ้นไปไประจับที่กุฏิของท่านบางครั้งหลวงพ่อก็รับบาทและจีบอลของท่านลงมาสอนสังขาติแล้วก็ผ้าแต่หน้าหน้าฝนตกมันฝนนั้นฝนตกนเนี่ยต้องใช้ผ้าจีบอลพื้นฐาน ถ้าว่าวันไหนมีอากาศฝนมืดคึมนะเหมือนฝนจะตกนะเราก็ต้องเอาจีวรผืนนั่นออกมาแล้วก็เตรียมร่มด้วยแต่สำหรับร่มเนะี่ยเป็นร่มร่มสีดำรุ่นเก่านะแต่ลงตานะไม่เปลี่ยนนะร่มคันไหนมาใหม่ๆที่เราจะให้ท่านนะ ม, มาอยนะ่ามาก็ใช้ร่มตัวเก่านะในขณะที่หลวงพ่ออยู่เพราะมันสมัยนั้นก็มีก็เรียกคันจ่อง จองคันจ้องจ้องดำกันก็ไม่ใหญนะ่ท่านก็ใช้ตัวนั้นล่ะถ้าว่าวันไหนฝนังไม่ตกเราก็ถือมาที่ศาลาตเตรียมพร้อมเวลาไปบินเา บ, บาทก็ให้พระเน็บรักแร้ไปด้วยเผื่อฝนตกจะได้ถวายท่านแต่ถ้าฝนตกเราลงมา เ, าเรากกกลางไว้เลยกั้นลมกลางลมไว้ในปันไดเผื่อท่านลงมาถ้าก็ได้ หยิบปล่มกันไปเลยแต่เวลาลงมาบินเทบาทถึงจะฟ้าตกแดดออกยังไงก็ตามนะพอครองผ้าเสร็จแล้วนะท่านจะถ่ายบาดเองเลยนะอันนี้เหตุพระผู้จะยึดแนวแถวปฏิปทาของหลวงตาให้จําเอาไว้ท่านจะไม่ให้ใครถภายบาดของท่านท่านจะถภายเองถึงจะฟ้าตกฝนลงยังไงก็ตาม พอคองผ้าเสรจแล้วท่านก็เอาบาดขึ้นบ่าของท่านเลยท่านจะบาดตะภายบาด ท, ทั้งบาดซ้ายนะลงตา เ, เอาบาดขึ้นมาทางบาดซ้ายแล้วก็ถ้าฝนตกท่านก็ถือลมทางมือขวาแต่ถ้าเฝนไม่ตกไปบินถบาดท่านก็มีผ้าสีแดงผืนหนึ่งผ้าเช็ดหน้าผื้อนสีแดงหลายๆตรงผบาตาจะใช้ผ้านั่น เวลาท่านฉันหมากเวลาเช็ดไปมันก็จะไม่ด่างใช่ไหมมันเป็นสีแดงอยู่แล้วมันเข้ากับ น, น้ำหมากได้ฮนะก็ใช้ผ่าปืนเลก็กประมาณครึบหนึ่งนะ่ยสี่เหลี่ยมอ่าแต่นั่นกน็จากนั้นก็ตะพายบาดขึ้นมาทางขวาทางซ้ายมือนะให้ทับรูปบวกจากนั้นประคองบาดท่านจะไม่พายแบบตรงเรงตรงเรงไม่ไดนะ้เนอะมือหนึ่งต้องประคองบาดประคองบาด ป, ปิดขวา เป็นวารักษาแบบดีเลยล่ะไม่ให้ฝาหลุดแต่โดยมากท่านจะใช้ถลกบาทที่มีสองสองฝาสองฝาสองข้างเป็นถลกบาทผ้าเนี่ยเวลาท่านเดินออกบินท บ, บาทให้พระเดินก่อนพระจะเดินก่อนท่านจะเดินตามหลังบินท บ, บาทบ้านตาดมีอยู่สองสายหลวงพ่อเนี่ยไปสายลูกปู่บนเมี สายตะวันตกนโดยมิโดยมากจะสายนี้จะมากกว่าเพราะคนตักบาดสายนี้มากกว่าสายของหลวงตาสายลงตาในสายตะวันออกสายตะวันออกต้องไปทางนี้แหละ <c oughs> ทางบ้านผู้กองเทียบบ้านคูหมึกเนี่ยนะทางบ้านญาติของท่านแต่เราไปทางทิศตะวันตกแต่สายของเราเนี่ยยาวกว่าไกลกว่า แต่เวลาออกบินทบาทท่านจะให้พระเดินนําหน้าไปองค์มายุ่งท่านก็จะพายบาดขึ้นมาแล้วก็ท่านก็เดินตามหลังแต่ก็ไม่ได้เดินห่างไมใ่ให้เดินห่างมากเพราะว่าชาวไร่ชาวนาเขาจะมาไปไล่ไปนาเขาเห็นพระเดินห่างเขาก็ต้องนั่งลงนั่งลงแล้วก็ปนมมือทําให้เขาเสียเวลา พอนั่นอยเดินห่างกันมากให้ไปเป็นกลุ่มแต่อย่าไปเดินคุยกันห่างกันประมาณสัก2องสามเก้าในเรียงจากนั้นท่านก็เดินตามหลังไปใกล้ๆ ก, ก็ไม่ไม่ไม่ให้ห่างเท่าไหร่ประมาณสักเก้าประมาณเก้าประมาณ10กว่าเก้าทนะประมาณเนี้ยนะห่างนะท่านเดินตามหลังท่านก็มองเห็นพระทุกองนะพระก็เดินนำหน้าเนะงียบ ภาวนาของไข่ของเราแต่หลวงตาเนี่ยถึงท่านจะฉันหมากเป็นประจำแต่เวลาบินธบาตนะ่ยท่านจะไม่ฉันหมากเลยหลวงปู่มันท่านบอกหลวงปู่มั่นท่านดุเท่าไงนะหลวงตามหาบัวท่านบอกหลวงปู่มั่นท่านจากนั้นท่านก็ไม่ฉันหมากเลยละ่ะเวลาบินธบาตสูบบุหรีก็เหมือนกันถ้าเห็นถ้าเห็นใครสูบบุหรีเนี่ย เดินบินบาตรสู่ปุรีนั่นแหละเออโดนหนักเลยเผื่อจะไล่ออกจากวัดอันนี้หลวงปูป่บุญมีท่านก็พูดให้หลวงพ่อฟังว่ยผมโดนมาครั้งหนึ่งแต่มาอยู่ใหม่ๆนะออสู่ปุรีท่านเห็นแล้วดุเลยจากนั้นมาก็เลยจุดไม่เข็ดเลยจากนั้นหลวงปู่บุญมีจะเป็นผู้บอกหมูอะไรท่านเห็นใครสูบระยะระายานะโดนไล่นะโด น, นะโดนไล่นี้นะ จะไปสู่ปุรีในขณะบินทาบาทนะนเวลาเดินบินท่าบาทเอามือไขว้หลังน่นไม่ได้ต้องเอามือประคองบาทข้างหนึ่งถึงเวลาเดินบินทาบาทเหมือนกันเดินผ่านท่านนะไม่เอามือไม่เอามือประคองบาดเอาเคาะบาทค้องคอเสร็จแล้วเดินแกวงแขนทั้งสองข้างไม่ได้เห็นมันเดินด้วยความประมาททําไมไม่เอามือประคองบาทนี่ ต้องเอามือประคองบาดข้างนึงเข้าไปเช่อยไหมถ้ามันจะหกล้มยังไงอย่างไงืมันก็บาดจะไม่กระเด็นอันนี้มันเดินอย่างนี้มันเบิดยังไงเดินด้วยความประมาทมองดนแะล้วมันขวางตาหนะลวงตาจะพูดอย่างงั้นเนีพรานั้นนี่แหละคือแนวปฏิปทาของหลวงตานะพระโลกพระลานทั้งหลายเไปที่ไหนอยู่ที่ไหนท่านจะไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทให้เตรียมพร้อมสำรวมระวังไว้อยู่เสมอ นี่แหละเจ็บจากนั้นเวลาบินทบาทพอกลับมาเออมีคนรับบาทวิ่งมาก็รับบาท ท, ท่านก็ให้นะบาทหนักอะไรตัวมากก็ไม่มีใครไม่มีใครที่จะมารับบาทอย่างพวกเราเพราะว่าคนใส่บาทก็พอดีพอดีอาหารก็ไม่มากบางทีก็ไม่เต็มบาทชดเชยซ้ํา ไ, ไปบางทีก็ครึ่งบาทบางทีก็นั้นปิมปิมบาท พอมาช่วงหลังๆเนะี่ยคนมาใส่บาทข้างนอกตอนหลวงตาอายุมากเลยนะคนมาใส่บาทข้างนอกวัดอันนี้มากเลยแต่สมัยก่อนหลวงพ่อไปอยู่นะยังไม่มีพูดหลวงพ่อพูดในะสมัยหลวงพ่ออยู่กับท่านในช่วงนั้นหลวงพ่อจะไม่พูดเกยเลินเกินเลยมาตรงที่เองตัวเองไม่อยู่นะหลวงพ่ออยู่กับหลวงตาเห็นยังไงหลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นนะ ให้พวกลูกหลานพานเนนได้ศึกษานะแต่พอมาช่วงหลังหลังในที่ท่านมีศรัทธาญาติโยมอติเลกขลามมีมากกระตั้งก็ต้องปล่อยวางตามอติเลกขลามคู่คนที่มาเกี่ยวข้องอพอมามากๆเขาจริงๆเมื่อช่วงหลังๆหลวงพ่อก็ไปกราบท่านเหมือนกันนะสิท่านโบโอกเราไม่บินทบาทแล้วนะเดี๋ยวนี้น ะ, ะพราะเหตุว่ามันไม่ไหว อายุของเราป่าจะ90แล้วเนี่เราไปวินทบบาดบางคนก็รู้บางคนก็อยากจะได้บุญมากบางทีเอาน้ำ เ, เป็นแผละมามันเป็นแผละมาใส่บาทเร า, เอาพอมาใส่เข้าไปมันก็หนักกัะเจี๊หัวเราก็ขม่ำบางทีใส่นมเข้าไปอีกเป็นแผ็คอีกเหมือนกันสองสามแผ็คบางทีคนมารับก็ไม่ทันอีก เ, อเขามาใส่บาทเขาอยากจะได้บุญโอ้ไม่ได้ ถ้าเราหกล้มลงไปดูๆแล้วมันไม่คุ้มค่านะเพราะนั้นเราจึงงดบินทบาทนะช่วงนี้นะอันนี้ท่านมุ่งพ่อเข้าไปกราบท่านท่านเขาเล่าให้หลวงพ่อฟังแต่ละเมื่อเราไม่บินทบาทเราก็ไปไปเดินจงกรมเวลาพระปีบินทบาทเสร็จแล้วนะให้ท่านจูใจเอาบาตรของเราไปไปรับบาตรแต่ท่านก็ยังใส่ใจนะพอบินทบาทมาวันนี้ เคนตักบาทกี่บาทนั่นต้องถามนะพอตักบาทขึ้นมาแล้วต้องถ่ายพอเต็มบาทแล้วก็ถ่ายแต่กันหพอใส่อีกเต็มบาทอีกทใส่บาทอีกเต็มอีกบาทอีก3เต็มบาทใส่บาททีกส่เนื้อท่านให้นับบาทท่านให้นับด้วยนะเวลาคนมาใส่บาทบางทีเป็นร้อยสองร0อยสองร้อบาทเวลาคนมาใส่บาทไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะคนมาใส่บาทสมัยหลวงตา นี่แหละแต่นี้พอท่านไปเดินยางกรมเสร็จแล้วท่านก็เดินออกมาพอได้เวลาเนี่ยครท่านก็ดูนาฬิกาของท่านบางทีก็บางทีท่านก็เดินเพลิดเหมือนกันนะเยพระ ก, ก็ต้องพอได้จวนจะได้เวลาภพา ก, ก็เห็นเม็ดท่านไม่ออกมาก็เดินเข้าไปกราบได้เวลาแล้วก็ผมเออท่านก็ค่อยเดินออกมาย่อง จากนั้นพวกศรัทธาญาติโยมผู้ที่จะสวายเจตุปัจจัยเขารีบจะกลับนะเขารีบจะกลับเขาจะสิวายปัจจัยท่านก็ามานั่งเรียงกระดานกันจากนั้นหลวงตาก็เดินมากระนั้ น, นท่านก็มีผ้าเช็ดหน้าแล้วเขาก็วางที่ผ้าเช็ดหน้าของท่านบางทีเขากดยกขึ้นมาท่านก็ใส่จานมาท่านก็หยิบหยิบหิบหิบพวกใบปวารณานะ นี่แหละอันนี้ก็คือเขาถวายองหลวงตาจากนั้นขึ้นมาศาลาสมัยสมัยในหลวงพ่อไม่อยู่แล้วอหลวงพ่อไม่อยู่แล้วแต่หลวงพ่ออยู่สมัยเมื่อหลวงตายังแข็งแรงถ้าเป็นหน้าร้อน่ะมันร้อนมากอากาศมันบินทบาดมาเนี่ยเงือแตก เ, เราก็ต้องเตรียมน้ําไว้ตั้งแต่เช้าเลยใส่กัลมังเตรียมผ้าอาบไว้ เสร็จแล้วหลงตามมาบางทีท่านก็เออวันนี้ไม่ส่งน้ําท่านก็ขึ้นศาลาเลยท่านว่าท่านเดินมากดรับผ้าเสร็จแล้วแต่อุอาบน้ําก่อนไ่ไหวร้อนเราก็ต้องรีบเข้าไปส่งน้ําท่านอยู่ในที่มุมมุมที่บังะไรกันทัน้งอาส่งน้ำท่านพอส่งน้ําเสร็จแล้วท่านก็ขึ้นไปศาลาก็ไปจัดอาหารอันนี้คือหน้าหน้าร้อนนะ หลวงพ่อได้ส่งน้ำเป็นประจํนะส่งน้ำองค์หลวงตานั่นน่าน่าร้อนนะแต่หน้าหนาวนี่ก็ท่านซ้อนสังคาติเป็นประจา น, นะถ้าฝนไม่ตกวันนั้นหลวงตานี่ย้อนซ้อนสังใช้สังคาตินะซ้อนผ้าสองผืนเลยน ะ, น, ะนะอันนี้ก็คือแนวในชีวิตประจําวันของหลวงตานะพอสรเสร็จแล้วก็จสมัยก่อนไม่มีคนหรอกไม่มีใครนะในสมัยหลวงพ่ออยู่คนน้อยมาก พอฉันนี่แหละแต่มองดูท่านให้พรบางทีท่านก็ให้พรเองเอให้พรเองจบบางทีท่านเหลือบไปเหลือบมาเนี่ก็เห็นว่างๆเอาองนั้นให้พรแทนก็หลับนั่งช้อยโอ้ถ้าท่านชี้สีองไหนให้พรเนี่ยก็ตุบๆตอมตุบๆตอมๆอย่างนั้นเละวันนั้นแปลว่าฉันอาหารไม่อร่อยแล้วว่าพระองค์นั้นอ่างนั้นเลย เออพวกเราที่นั่งอยู่กันก้มหน้าใครก้มหน้าเรากลัวจะมาทุบโดนเราใช่ไหมล่ะเออพอขึ้นไปบางองค์ก็ประมมาใช่ไหมล่ะยะท่าวริวะห้าปูราเฮไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงมันไม่ฟังแล้วทานองที่เราให้นะเอาไหมยะถ า, าวริวะหา้าปุราเนะี่ยป่เขาไม่โป่ไม่ใช่โป้โอ้ บางทีไล่ไปตั้งสามสามสี่องให้พรนะเ อ, อองนี้ไปแล้วองค์นั้นไปองค์นั้นไปโอ้กว่าจะได้ฉันวันนั้นะนพอแรงต่างองค์ต่างพูดหัวเราะไม่ได้ไดเล อ, อเวลาล้มลงตาให้พรเนี่ยถ้างองคในหัวเราะองค์นั้นจะให้พอรอีกทีนี่มันก็หัวเราะไม่ออกใช่ไหมกลัวใช่ไหมล่ะต่างคนก็ต่างก้มหน้าใครก้มหน้าลําก็เป็นหัวเราะกูหัวเราะแบบอยู่ใน อยู่ในใจแบบเสื่อมยุ่ในใจแล้วงเงแตไม่กล้าออกเสียงเนาะหัวเราะนะดวงตานี่ไม่ใช่ธรรมดานะอ่าไปต้องไปอบฝึกบางทีให้พระฝรังอ่าพระฝรังให้พรไอ้ท่านก็ไปพิธีพิถันเท่ า, ทาไรกับพระฝรังนะเพราะฉะนั้นเราจึงสนิทกับพระฝรังเวลาเวลาท่านจะให้พรเนี่ยหลวงพ่อก็ไปสอนไปสอนการให้พรให้กับพระฝรังนะ ให้สอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทํานองอย่างนี้อย่างนี้เอท่านก็นมาเราก็เป็นคนฟังให้ท่านและท่านก็เป็นคนพูดเนะพราะมันภาษาอย่างเีร ว, ว่านเนี่ย น, นะนี่แหละแต่มันโชคดีนะหลงพ่อไปอยู่ที่นั่นนะไม่เคยลงตามไม่เคยชีย้ให้พรนนะเี่แล้วทําอินให้พรนนะ่ะไม่เคยมีนะแต่องค์อื่นโอเอาบ่อยะ แต่หลวงพ่อนะี่มีตั้งแต่พรหลวงพ่อได้สวดพระปฏิโมกท่านคงจะคงจะรู้ได้ว่าการออกเสียงได้ทำนองการสวดนังคงคงจะใช้ได้นะท่านคงท่านก็เลยมาชี้นะแต่องค์อื่นนะ่ท่านชี้เลยสวดสวดนะยะ า, าเออบางองค์พอขึ้นไป สัพพ โ, โลคาวินีโมดโตโไม่ได้เออเราไม่เคยพูดอย่างก็มันเอามาที่ไหนศัพ์นี่วะเอายะถาเออพ่ใพอให้พ่อให้ยะถาเอายะถาโอ้วันนั้นกว่าจะได้ฉันจั้หันเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วที่หลวงตาชี้ให้ให้พระยะถาวันนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อศึกษาก็ะองหลวงตานะ ศรัทธาญาติโยมสมัยนั้นพระมันยังน้อยนะคนก็น้อยบางทีมีแม่ตู้สารวัตรมาสามสี่ห้าคนเท่านั้นแหละแต่ท่านก็ให้พรนะท่านไม่เคยที่ว่าเออมันคนน้อยไม่ต้องให้พรหรอกไม่เคยมีนะให้พรทุกวันถึงจะมีใครมาท่านก็ให้พรโดยมากนี่แหละถ้ามีคนมาท่านก็ให้พรเองบางทีก็ให้พรเป็นหมู่ นะกลุ่มเป็นกลุ่มอย่างพวกเราให้พรนี่ยนะแต่โดยมากในตัวช่วงหลังๆเนี่ยท่านจะให้พรเองเป็นส่วนมากนะให้พรเฉพาะองค์ท่านเองให้พรแล้วก็จบท่านบอกว่าในสมัยครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้านะท่านจะให้พอรองค์ใดองค์หนึ่งเท่า น, นั้นนะท่านจะไม่ให้พรพร้อมกันนะคือจะให้องค์ใดองค์หนึ่งถ้าว่าเจ้าภาพอยากจะให้องค์ไหนให้พร ท่านก็เข้ามารับบาตรองค์นั้นพวกเราก็อนุมัติอนุญาตเอาให้พรเขาคำว่าให้พรก็เป็นภาษาเป็นภาษาของท่านเองเออศรัทธาญาติโยมขอให้จเจริญรุง่งเรืองในราบในยศในออสุขเนะอยจะให้มีอุปสรรคในการเป็นอยู่เนอะให้ราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างเนอะลักษณะอย่า ง, งนะี้น่ะคือภาษาของท่านใช่ไหมล่ะแต่นี้พวกเรายถาวารีวหานมันจำมันเป็นภาษาภาษาบาลีนะ แต่ภาษาของท่านเองก่อนนั่นแหะให้ศีลให้พรแบบอให้เข้าใจกันได้ง่ายนี่แหละอันนี้ก็คือในครั้งพุทธกาลแต่ตามไม่จริงครั้งพุทธกาลจริงๆพระพระพุทธองค์ยังไม่ได้บัญญัติการให้พรเนี่ยพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติการให้พรพอฉันยังหันเสียดแล้วกัต่างองค์ต่างไปวันนี้พวกศาสนาหรือศรัทธาญาติโยมพุ่นนับถือศาสนาอื่นเขาโว้ สมนะสากยะบุตรพอมานั่งเฮ็ดคู่มูเฮ็ดมูยุไม่ปากไม่พูดอะไรเลยพอฉันเสล้ะกระตังองค์ต่างไปไม่ได้ให้ศีลให้พรคำต่อคำปากต่อปากไม่เหมือนศาสนาอื่นเขาศาสนาอื่นพอเวลาฉันเสด็จเขาก็ให้พรศรัทธาญาติโยมนะให้ถวายอาหารขอให้จเจริญรุ่งเรืองด่วยยาลาบยยด้วยศดุจชนะเชิน ไปนักสถานที่ได้ให้ลาบลื่นจะได้มีอุปสรรคเขาจะให้สินให้พรแต่พุทธศาสนาไม่ให้สินให้พรพระองค์เรียกประชุมสงฆ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้พระสงฆ์ให้พรทั้งคนให้เป็นคําสาธยายเป็นแม่บทขึ้นมาในยะถาวารีวหานี่แหละให้พระสงฆ์ให้พร ศรัทธาญาติโยมถ้าไม่ให้พรปรับอวบอันนี้ท่าพระองค์ก็บัญญัติวิไนขึ้นมาให้พระสงฆ์ให้พรเพราะฉะนั้นจึงมีการให้พรใ น, ในครั้งพุทธกาลพรทาการให้พอรอย่างพวกเราให้พรแต่ให้พอรองค์เดียวอย่างที่ว่านะองค์ใดองค์หนึ่งให้พรหลวงตามหาหัวท่านก็นเคยพูดนะสมัยครั้งพุทธกาลให้พอรองค์เดียวเลยแต่พอต่อมาเนี่ย ก่ต่างองคก่อต่างฉันฉันทุกองคเนี่ยจะให้องค์เดียวให้พรมันก็เสียเปรียบหมูนะอก็เลยพ้อมพากันให้พรพร้อมๆกันทุกองเลยเอยให้พรให้พรกันเป็นหมูเลยทุกอง์เพราะฉันด้วยกันจะให้พรองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้องค์ที่ให้พรเนี่ยเสียเปรียบหมูก็เลยให้พรพร้อมๆกันหนุกตาหวานพอท่างพูดท่านก็หัวเราะเฮ่เฮ่เฮนี่แหละ เหล่าเนี่ยแหละหลวงพ่อได้อยู่กับองค์หลวงตานะ่ะก็ได้สังเกตแล้วก็มาเล่ามาั่นบอกให้ลูกหลานได้ฟังนะีนะ่แหละการบินทบาทของท่านนะท่านจะถพายบาทเองแล้วก็ถบายบาททางขวาทางซ้ายมือนะ่ะเอาเน็บลูกบวบเลยนะไม่ใช่คล้องคอนะ่นะเจ็บลูกบวบแล้วก็มือประคองมือซ้ายประคองอย่างดนะีแล้วก็มือขวาก็ถือผ้ายถือผ้าเช็ดหน้าชี้แดงอนะ่ะ แนแะแต่ท่านไม่ฉันหมากไม่ฉันหมากกับพระที่เคยสู่ปุรีก็ไปหมดทุกองนะอะไม่มีใครสู่ปุรีหรอกถ้าศีลเข้าไปแล้วก็ น, นั่นนะโดนไลท่ทันทีแหละใครๆก็กลัวรู้ทั้งหมดหลวงตาเนี่ยเข้มงวดกวดขันนะลูกหลานหลวงตาเนี่เข้มงวดกวดขันเพราะนั้นใครๆก็กลัวทั้งหมดในสมัยนั้นนะแต่หลวงพ่อเนี่ยกลัวไหมกลัวแต่อยู่ได้ เพราะหลวงพ่อเนี่ยชอบขนบรทมเนียมประเพณีที่ เ, เคร่งในวินยัยในกฎระเบียบนะ เ, เข้าไปแล้วอยู่แล้วสบายอยู่ในกฎในระเบียบนีสบาย เ, เป็นอย่างนั้นไปอีกนะแต่บางครั้งก็โดนดุเหมือนกันนะลูกหลานนะวันนี้ให้แนวความคิดแบบเบาๆให้กับลูกหลานได้ฟังได้ศึกษานะต่อนนี้ไปรับพรอนะนะเนีนะ